สิขาบทวิพัง1น5 2งพาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนีที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนีที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าจำพรรษาแล้วคืออยู่จำพรรษาต้นสามเดือนหรือพรรษาหลังสามเดือน ภิกชณีพอทอดทูาว่าเราจักไม่ปรานาในสงฆ์สองฝ่ายด้วยฐานะสามคือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินหรือด้วยระแวงสงสัยต้องอบัติภาจิตตี